Book two. 2 5ห้าสิหกความรู้สึกย้าสมัยมีความรู้สึกต้องการอยากนเรตต์ตูเรามีความรู้สึกเราต้องการเราอยาก แริเราเราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยากสนรินกลัวบผมกลัวอบผมไม่กลัวอนบย มีเวลาตเเิูเขามีเวลาตูเรเล i กกเขาไม่มีเวลายิเตูเรเลกิกกเบื่อนัวเจ้าเต้เธอเบื่อยินัวบ่เจ้ายะเธอไม่เบื่อ ย ja. <Hi u. S 1> i นเน่ o b o บ่เจ้าวีย u หิวบุติฉชัลกุสคุณหิวไหมอาริย l k i a a l แ a n i Kun คน i คุณไม่หิวหรืออาริย์สเนี a ยฉัลแกะกระหายน้ำบุติตรกส พวกเขากระหายน้ำเยอิสรเกยูสโรุุสพวกเขาไม่กระหายน้ำเยเนรเยูสเนรุุส